สี่สี่้าส่ส้านะหน้าสีส้านะ ล้าทำยังไงนะครับปิดนั่นเถอะแั่งมาทำบุญว่ไม่ดีเอาโพธิพาลมนายก็ไม่ได้ผิดสัทธาลมอีกเอากายผิดหูได้หูก็ผิดกาย ช่วงบ่ายนี้เราเรียนอภิธรรมนะพระอภิธรรมที่เราเรียนนี้ยังอยู่ประเฉดหนึ่งอยู่เลยนแต่ว่ามาถึงโลกุตรจิตที่ผ่านมาเราได้เรียนถึงโลกุตระเออโลทิยะจิตหมดละน่แหละทั้งแปดสิบเอ็ดตัวงกา ม, มาวาจรามมาว จ, จิตห้าสิบี่มหคตาจิตยี่สิบเจ็ดซึ่งรวมกันแล้วเป็นแปดสิบเอ็ดตัวง นี่ก็มาขึ้นโลกุตระจิตบ้างก่อนที่จะขึ้นโลกุตระจิตนั้นกล่าวถึงข้อความในยุคนัทถวัช ก, กล่าวถึงธรรมะคู่กันนะซึ่งสูตรเดียวกันเนี่ยเนื้อหาเหมือนกันอยู่ในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตก็มีนะกล่าวว่าสมัยหนึ่งท่านพระนนอยู่ณโคสิตารามใกล้กรงใกล้พระนครโกสัมพีณนะที่นั้นและท่านพระนรนเรียกพิสูจทั้งหลายมาว่า ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระนนแล้วท่านพระนนได้กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งพยากรณ์อรหัตในสำนักของเราด้วยมรต4ทั้งหมดนี่ยนะหรือด้วยมรตเหล่านั้นมรกใดมรติหนึ่งคือการพยากร์ถึงการเป็นท่าอรหันหรือการพยากรณ์บรรลุมรติผลเนี่ยนะ วิธีพยากรณ์มีอยู่สวิธีด้วยกันวิธีพยากรณ์ว่าจะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะวิธีที่หนึ่งนะว่าดูก่อนอาบุโสทั้งหลายภิกษุในพราสนานี้ย่อมเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องต้นเมื่อภิกษุนั้นเจริญวิปัสสนาอันมีสมถะเป็นเบื้องต้นอยู่มรคย่อมเกิดภิกษุนั้นเสพเจริญทําให้มากซึ่งมรคนั้นเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญทําให้มากซึ่งมรคนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไปนี่ยนะอันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือกล่าวถึงผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยที่เจริญสมถะก่อนผู้ตามลําดับแบบไทยๆเราก็คือเจริญสมถะก่อนให้ดีหลังจากเจริญสมถะแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาเพราะเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาตอนหลังก็บรลุมัชเนี่ยนะทั้งสี่มัชหรือมัชใดมัชหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น เมื่อพิสูจนนั้นเจริญสมถะมีวิปัสนาเป็นเบื้องต้นอยู่มักย่อมเกิดขึ้นพิสูจนนั้นย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อพิสูจนนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอันนี้ก็หมายถึงผู้ที่เจริญวิปัสสนากรนนะแล้วก็อถือเอาเอกคตาในวิปัสสนานั้นน่ะให้มากขึ้นมากขึ้นค่อยๆบริบูรณ์จนเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปนิสัยแก่อริยมัก แล้วก็อบรมมัชทั้งสี่มัชให้บริบูรณ์ขึ้นก็ละกิเลสได้พิสุเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปอันนี้หมายถึงว่าเจริญสมถะเท่าไหร่ก็เจริญวิปัสสนาเท่านั้นเมื่อพิสุนั้นเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปมัชย่อมเกิดพิสุนั้นเสพเจริญทําให้มากซึ่งมัชนั้นเมื่อพิสุนั้นเสพเจริญทําให้มากซึ่งมัชนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปนะะ อันนี้ก็ควบคู่กันไปนะเจริญสมถะเท่าไหร่ก็เจริญวิปัสสนามากเท่านั้นส่วนในที่สีก็คืออีกประการหนึ่งภิกษุมีใจนึกถึงโอภาษอันเป็นธรรมะถูกอุทธะนั้นกั้นไว้อันนี้หมายถึงว่าเจริญอุทยพยัญญ า, ยาแล้ววิปัสณูปกิเลสขึ้นเกิดนะพอพอวิปัสณูปกิเลสเกิดก็จะถูกธรรมะหรือถูกอุทธะนี่กลุ้มรุมฟุ้งซ่านนะนะ สมัยนั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่หมายถึงว่าอันนี้ครอบงาอุทจาระแล้วก็อบรมวิปัสสนาเป็นต้นน่นะมรรคก็ย่อมเกิดขึ้นแก่พิสูจนนั้นพิสูจนนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อพิสูุนนั้นเสพเจริญทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ย่อมละสังโยดได้อนุใส ย, ย่อมสิ้นไปดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งพยากรณ์อารหัตในสำนักเราด้วยมรรคสี่นี้ทั้งหมดหรือด้วยมรรคใดด้วยมรรคเหล่านั้นมรรคใดมรรคหนึ่งอันนี้ก็พูดถึงหลักการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะซึ่งมีสี่วิธีด้วยกันข้อสีก็คือเจริญสมถะคือเจริญวิปัสสนาจนได้ทรมุจัะเนี่ยนะ ก็จนได้วิปัสสนูปกิเลสสิบพอวิปัสสนูปกิเลสสิบขึ้นก็ใจเนี่ยถูกทำอุทจจะเนี่ยกลุ่มรวมอ่ะนะหลังจากนั้นก็สงบอุทจจะได้ก็เจริญวิปัสสนาต่อไปก็บรรลุมรรคซึ่งยกตัวอย่างเช่นว่า เมื่อภิกษุมนานัสการโดยสภาพไม่เที่ยงโอภาสย่อมเกิดขึ้นภิกษุนึกถึงโอภาสว่าโอภาสเป็นธรรมเพราะนึกถึงโอภาษนั้นจึงมีความฟุ้งซ่านเป็นอุทะจะหมายคําว่าพอเจริญที่ปัสนาไปนะอุทัจะเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นก่อ น, นึกว่าแสงสว่างนี่แหละเป็นมรุกละก็ไปสําคัญในสิ่งที่ไม่ใช่มรุกว่าเป็นมรุเข้าอันนั้นแหละเป็นอุทัจะทีนี้ก็ ผู้ที่ถูกอุทจฉานั้นกั้นก็ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความปรากฏโดยสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือไม่ได้ไปมนสิการตรายักษ์เลยนะก็มัวแต่ชื่นชมในโอภาสนึกว่าบรรลุไปแล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีใจนึกถึงโอภาษ อันเป็นธรรมถูกอุทจนั้นกั้นไว้สมัยนั้นจิตที่ตั้งมั่นสงบอยู่ภในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่มรรคย่อมเกิดขึ้นถามว่ามรรคย่อมเกิดอย่างไรก็ก็ตามสูตรนะนะเจริญวิปัสสนาจนเป็นอุปนิสัยให้แกอริยมรรคนั่นเองในสี่ประการเนี่ยนะปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติให้เกิดมรรคสี่ประการนี่ก็คือ มีสมถะเป็นหัวหน้านนะมักมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นหรือว่าเป็นธรรมะคู่กันเนี่ยนะ <Thank you. S 1> ทวนอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะข้อแรกข้อหนึ่งเจริญสมถะก่อน แล้วก็เจริญวิปัสนาแล้วก็เป็นเหตุแห่งมัจข้อที่สองเจริญวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เกิดสมถะสมถะทั้งสมถะวิปัสนาก็เป็นปัจจัยแก่มัจข้อที่สาม ยุฆะนัย่ยนะยคณธรรมเนี่ยนะอันนี้ก็คือเท่ากับเจริญธรรมะคู่กันไปคือคู่กันทั้งสมถะและวิปัสนาเป็นไปก็เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคเอกเหมือนกันส่วนข้อสี่นี้ก็ถูกอุทธะนะนะคืออุทธะในที่นี้หมายถึงว่าเกิดวิปัสนาปกิเลสขึ้นเนี่ยนะ ครอบงามวิปัสนูปกิเลแล้วก็บรุกเรียกว่าวิปัสนูปกิเลสิบแล้วก็อุทจจะอุทจจะและก็มักจึงเกิด ออมันอรรยมรักษ์นี้เกิดสี่วิธีด้วยกันนั่นอริยมรักษ์ทั้งสีนี่จะเกิดได้อย่างนี้นะมรักษ์สีเนี่ยการเกิดขึ้นของมรักษ์สีเกิดด้วยประการอย่างนี้ ทีนี้ผู้ที่เจริญสมถะก่อนเนี่ยเจริญยังไงสมถะก็คือการสายใจในสมถะนิมิตนันะนะคือเจริญเท่ากับเจริญกรรมฐาน40อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยนะให้จิตเป็นอุปจารสมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธินี่นะให้ให้เน้นให้ได้อุปจาระ หรืออัปปนาืออุปจาระก็คือเช่นพวกกรรมฐานที่ทำให้ได้แค่อุปจาระหรือทำให้ได้ฌานไปเลยอุปจาระเขาคือก่อนจะถึงฌานอัปปนาก็หมายถึงฌานพอเจริญสมถะจนได้ฌานเนี่ยนะก็เอาสมถะเหล่านี้เป็นบาทเป็นบาทเพื่อเจริญวิปัสสนา วิปัสนาในพระไตยปิฎกกับอัตกถาโดยมากจะขึ้นต้นด้วยอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาเลยนะมนสิการโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูคุณผูมเจอแบบนี้มากเลยถ้าวิปัสนาในพระไตยปิฎกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเลย เ็าถือว่าความรู้ในเรื่องขันอายตนะพร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยท่านไม่ได้ติดใจเลยคือเป็นเป็นถือว่าเป็นความรู้ชั้นพื้นฐานของของคนสมัยนั้นเ็รู้กันเป็นธรรมดานะเหมือนกับหนังสือเราเห็นก็อ่านกันออกกันเลยเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษซับซ้อนอะไรมากนะเพราะความรู้ในเรื่องขันอายตนะซึ่งคืออย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่า ขันมีห้ารูปประกอบไปด้วยรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยแสดงอย่างนี้ท่านเข้าใจเลยอ่ะเนี่ยนะคือพิจารณาอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นขันห้าหมดเลยนั้นขันห้าก็ยอมรับอยู่แล้วว่าเกิดจากปัจจัยเนี่ยนะก็ทีนี้ไอ้ตัวที่เกิดจากปัจจัยที่เราให้ความสาคัญมากคือขันไหนทว่านะเอาขันขันประกอบไปด้วยรูป เวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณขันะ่ะที่เป็นตัวทุกข์ที่เราให้ความสำคัญมากคือขันไหนตรงๆเลยนะคือนี่ก่อนตัวเองก่อนอะขันห้าในตัวเองอะนะที่เราให้ความสำคัญว่าเพราะตัวทุกข์จริงๆมันอยู่ที่นี่เนีย่ยนะเพราะนั้ น, นทุกข์เหล่านี้ก็มาจากปัจจัยเนี่ยนะก็มาจากสมุทัยนะก็ยอมรับอยู่แล้วว่าขันเป็นทุกข์ัต์สมุทัยนี่เป็นเหตุให้เกิดทุ ก, ทกข์เพราะนั้น ตันหาเนี่ยแหละเป็นตัวเหมือนกับแม่เนี่ยนะตันหาที่ที่มาชอบขันเนี่ยนะเป็นตัวสร้างขันขึ้นถามว่าถ้าไม่มีอวิชามันก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นอวิชาที่จึงเป็นเป็นเหตุและความแตกต่างกันระหว่างขันอะไรเป็นเครื่องกําหนดให้แตกต่างกรรมอันนี้ก็ชัดใช่ไหมเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเฉพาะเฉพาะตัว ทีนี้ขันเมื่อดำรงอยู่ในโลกนี้ถ้ารูปต้องอาศัยอะไรอาหารเวทนาอาศัยภาษาสัญญาสังขารก็อาศัยภาษาวิญญาณอาศัยนามรู ป, รปอันนี้เราก็มีความเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเ อ, อขันนี่ถ้าเกิดเกิดอย่างนี้ถ้าขันจะดับก็ทําเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าจะดับมันก็ต้องดับเหตุของมันก็ดับอวิชชาตันหาและกรรมซะแต่ทีนี้ตัวหลักๆที่จะดับคือดับอะไรอวิชชากับตันหา รู้เห็นยังไงจึงจะดับอวิชชารู้เห็นยังไงจึงจะดับตัณหารู้เห็นแล้วดับตัณหาก็รู้เห็นด้วยสมถะกันอันนี้นะเพราะผู้ที่เจริญสมถะมากถ้าว่าตามตรงก็ไม่ปรารถนาตัณหาแต่ว่าอาวิชชานี้ต้องแก้ด้วยวิปัสสนาแต่ถ้าจะละจริงๆต่อเมื่อสมถาวิปัสสนาคู่กันในขณะมักเพราะฉะนั้นในขณะมักเนี่ยจึงคู่กันอย่างแท้จริง สมถาวิปัสนาเคียงคู่กันเลยในขณะมักจึงทำกิจประหารกิเลสได้ถ้าวิปัสนาล้วนๆก็ละกิเลสไม่ได้เฉพาะขณะวิปัสนาล้วนๆเนี่ยละกิเลสไม่ได้สมถะล้วนๆก็ละกิเลสไม่ได้แต่ต้องคู่กันเมื่อไหร่จึงจึงละกิเลสได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้ตัววิปัสนาเห็นยังไงตะเอานะสมถะสำารราคะในขันท่าตรงๆนะ ละราคะวิปัสนาละอวิชชาในขันท่านั้นก็คือตามเห็นขันท่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานี้ทำยังไงอ่ะควบคู่กันไปให้อันนี้มันเคียงขนานคู่กันได้เมื่อ น, นั้นจึงจะเกิดการแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะเพราะขณะมรรคก็คือขณะที่บรรลุอริยสัตว์ขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่าลืมว่าอารมณ์ของมรรคสี่เนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานนะสมถะกับวิปัสสนาก็ยังไม่เคียงคู่กันเพราะอะไรเพราะว่าสมถะก็มีอารมณ์ของสมถะส่วนตัววิปัสสนาก็มีอารมณ์ของวิปัสสนาส่วนตัวแต่ถ้าสมถะวิปัสสนาคู่กันเมื่อไหร่นะมันจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ออนะมีอะไรที่ที่คนทั่วๆไปคิดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะออวิธีการแบบนี้นะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจา้านี้เราคิดเองไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะ ไม่มีคนรู้ขนาดนี้ด้วยหรือเนพะฉะนั้นผู้ที่สมถ ะ, ะผู้ที่เป็นวิเจริญวิปัสสนานะโดยพื้นฐานเขาต้องรู้อยู่แล้วเหตุเกิดและความดับของขันหาเพราะตามเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเพราะนิพพิทาคืออะไรนิพพิทาก็คือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่านิพพิทา เบือนอายนะผู้ที่เบือนอายต้องการไม่ขันห้าเอาอีกไหมไม่เอาอันนั้นนะเป็นวิราคาต้องการสร้างใหม่ต้องการปฏิสนธิอีกหรือต้องการดับนะโดยอัธยาศัยจริงๆต้องแบบไหนก็ต้องการดับอยู่แล้วก็อันนั้นเป็นนิโรธอยากไล้มาครอบครองหรือต้องการบริจาคก็ต้องการบริจาค เพราะนนใครบว่าปฏินิสักขานุปัสสนาสมถะวิปัสสนาที่ควบคู่กันไปเนี่ยนะคือพื้นฐานนะคนนี้เจริญสมถะอย่างบริบูรณ์ให้ได้ฌานก่อนแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาในตอนหลังทีนี้ให้สมถะวิปัสสนามันควบให้คู่กันได้ขณะมรรคเมื่อไหร่นั่นแหละก็เกิดบรรลุมมรรคอย่างที่หนึ่ง ส่วนมรดอย่างที่สองคือพวกที่วิปัสสนานําหน้าเนี่ยหมายถึงคนที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆแล้วเอาความสงบจากวิปัสสนาคือในขณะเจริญวิปัสสนาก็มีเอกคตาเจตสิกรวมด้วยใช่ไหมมีองค์ฌานคือวิตกวิจารณ์ปีติที่อยู่ในวิปัสสนาด้วยที่ทํำยังไงอะเจริญวิปัสสนาแค่ไหนจึงจะได้ระดับให้มันได้ระดับฌานนะอันนั้นแหละจะเป็นข้อที่มรดข้อที่ที่สามเข้อที่สองเนี่ย ก็อันนั้นก็นับว่ายากนะหรือเจริญวิปัสสนาก่อนโดยอัธยาศัยก่อนใช่ไหมเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็พอเจริญวิปัสสนาเหนื่อยก็ไปเจริญสมถะนะทุกครั้งขึ้นต้นด้วยวิปัสสนาก่อนแล้วตามด้วยสมถะก็ได้อันนี้นก็ชื่อว่าวิปัสสนาก่อนแล้วสมถะตามหลังอันนี้อย่างหนึ่งส่วนข้อที่สคู่กันตายนี่หมายถึงว่า เช่นเจริญสมถะได้ปฐมฌานออกจากปฐมฌานก็เจริญวิปัสนาเจริญสมถะได้ทุติยฌานออกจากทุติยฌานก็เจริญวิปัสนาอันนี้ข้อที่สานะเจริญสมถะได้ตติยฌานออกจากตติยฌานก็เจริญวิปัสนานนเจริญสมถะจนได้จตุทัชฌานออกจากจตุทัชฌานก็เจริญวิปัสนาเพื่อนี้จะเป็นสมถะวิปัสนาเคียงคู่กันไป นนั้บอกสมติว่าเข้าปฐมฌานได้เท่าไหรออกจากปฐมฌานก็อนุปัสนาเจเลยนะเจริญทุติยฌ า, านออกจากทุติยฌ า, านก็เจริญอนุปัสนาเจเป็นต้นอ่าพวกนี้แหละที่จะทําให้เจริญเคียงคู่กันไปนะนะอ่าถึงอรูปฌานด้วยเขามีอย่างพระจุลบันทกนะ พระจุลบรรทกเนี่ยออกจากรูปประจานแล้วเจริญวิปัสนาโดยอาศัยรูปประจานเนี่ยบรรลุพระจุลบรรทกนีส่วนพี่ชายของท่านเนี่ยออกจากอารูปประจานแล้วเจริญวิปัสนาเขาเขาเป็นเลิศคนละอย่างกันน้องชายเนี่ยเขาหนักในรูปประจานเขาเก่งในรูปประจานออกจากรูปประจานแล้วเจริญวิปัสนาบรรลุส่วนพี่ชายนี่ได้อารูปประจานออกจากอรูปประจานแล้วเจริญวิปัสนาบรรลุเนี่ยนะเขาเขา เขาเก่งคนละอย่างกันเนี่ยนะนก็ก็ถือว่าพักผ่อนได้ดีเหมกันเช่นบางคนเนี่ยเวลาเจริญอนาะอนาปานาสติก็พักผ่อนดีเหมือนกันใช่ไหมพอพิจารณาไปมากๆก็มาเจริญอนาปานาสติเนี่ยนะ คือสมถะโดยตรงๆแล้วนะเพียงแต่ห้ามบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นแล้วให้จิตเป็นไปกับอารมณ์นั้นได้ยาวได้ต่อเนื่องสงบประเนีตยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นเป็นกิจของสมถะเนี่ยนะก็บริหารหมวดนั้นเพราะว่าปกติแล้วสมถะนะถ้าเจริญถูกต้องอันนี้ต้องได้ ปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นอย่างดีเนี่ยนะได้ปีติได้ความสุขจากจากการพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยนะพอได้ปีติได้ความสุขก็มาพิจารณาเจริญวิปัสนาใหม่แต่ว่าถ้าใครที่หนักไปทางส ม, มถะโดยมากอันนี้พูดโดยมากเนละจะมากไปทางเกียรครานพอเจริญส ม, มถะไปอ่ะนะมันสบายนี่ไหนะ ก็หนักไปทางเกียรติครานถ้าผู้ที่หนักไปทางมิปสัสนาออกฟุ้งๆหน่อยเอิ้นทาไงให้มันพอดีกันน่ะเข่าไ ข, ข่ายจริงๆก็ในธรรมบทเป็นต้นหรือในเทเวทาวิตตกสูตรท่านก็ให้ให้แบบนั้นอ่ะนะแต่ก็ในคถาธรรมบทก็เตือนไม่ใช่ว่าไปติดข่าเชล่ะนะในคาถาธรรมบทน่ะนะพอเข้าไขา่สบายกินอิน่มนอนหลับะนะอย่าไปรบมันเลย พวกปลอนคายแน่